บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจักษุของพระพุทธเจ้าตั้งห้าประการนั้นได้ลกล่าวถึงมังสะจักษุจักษุคือดวงตาที่ไปจักษุตาชิบและปัญญาจักษุ ตาคือปัญญามาแล้วโดวยลำดับตาประการต่อไปคือพุทธจักษุแปลว่าดวงตาของพระพุทธเจ้าที่เป็นเอตุให้พระพุทธองค์ทรงมองถึงบุคคลในเหตุการณ์ต่างๆจนอย่างรู้ถึงความเป็นจริงเช่นการที่ทรงตรวจสอบดูอัติยาศัยของสัตว์ตวโลก ก่อนที่จะตัดสินพระไทยสอนธรรมที่โปร่งจัสรุ้แก่โลกพระทรงจำแนกบุคคลในโลกออกไปเป็นสีประเภทคือหนึ่งอุกติตันูผู้อาจจะรู้ธรรมเพียงยกหัวข้อขึ้นแสดง 2. วิปจิตตนูผู้อาจจะรู้ธรรมได้เมื่อต้องอธิบายขยายความแห่งหัวข้อธรรมเหล่านั้น 3. เนยยะ พอจะชี้แจงแนะนำบอกกล่าวโดยใช้การเวลามากขึ้นโดยการสอนมากขึ้นได้ 4. ประทะประมะคือมีบทเป็นอย่างจริงจะไม่สามารถรับประโยชน์ในเมตตามวต โ, โดยตรงด้วยตัวของตัวเองแต่จะได้อาศัยอุปกรคุณจากบุคคลอื่นที่ได้รับผลแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมมาแล้วซึ่งเรามักจะพูดกันว่าอุปมาเหมือนดอกบัวสีเหลา พยานข้อนี้เป็นเรื่องของพุทธจักสุคือจักสุของพระพุทธเจ้าตลอดถึงการตรวจสอบดูจริตอัธยาศัยของบุคคลซึ่งแตกต่างกันแล้วในที่สุดทรงเลือกเฟ้นธรรมะมาแสดงแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นเพจริตอัธยาศัยของเขาปัญหาบางอย่างวิสัยของระสาวกไม่อาจทำได้ เป็นการสอนกรรมฐานแก่ลูกศิษย์ของพระอระหันต์บางรูปท่านไม่สามารถจะให้กรรมฐานที่ฉูกถูกจริตจนท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้แเมื่อนำมาฟาบพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าจะอาศัยจากสุขข้อนี้สวจสอบดูพื้นเพจริตอัตยาศัยดังเดิมเขาก็ามีเชื้อที่เป็นพื้นฐานอะไรอยู่ภายในใจ แล้จะทรงแส ด, แดงธรรมะที่เหมาะสมสอดคล้องกับเชื้อหรือาธาตุภายในใจของบุคคลดักนั้นอย่างเช่นลูกศิษย์ภาษาริบุตรซึ่งเป็นลูกนายช่างทองไม่รูปงามพระเทรากก็คิดว่าคนรูปงามมักหลงในรูปของตัวเองมักติดใจพอใจในความสวยงามต่างๆเมื่อต้องการจะสำรอกราคะคือความกาหนัด ในรูปกายของตนเองและรูปกายของบุคคลอื่นออกจากจิตใจก็ต้องอาศัยการเจริญกรรมฐานประเภทกายยกาตาสติคือพิจารณาผมขนและฟันเป็นต้นให้เห็นเป็นของปฏิกูลหน้าเกลียดโสโครกเพื่อจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในกายตนและกายบุคคลอื่นลงไป และแม้จะเปลี่ยนตัวอารมณ์กรรมาฐานให้ลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนถึงกับไปศึกษาเรื่องซากศพในป่าชา้าที่เรียกว่าป่าช้าทั้งก้ากัตามแต่ไม่สามารถจะทำให้พระรูปนี้บำเพ็ญเพียรแล้วเกิดความสงบขึ้นภายในจิตได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าพระสาริบุตรนำเมาฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากลับให้กรรมาฐานอีกลักษณะหนึ่ง ซึงดูแล้วไม่น่าจะเดินไปได้แต่เพราะพระองค์ทรงอย่างรู้ถึงพื้นอัธยาศัยของเขาว่ากรรมฐานข้อ น, นี้เป็นไปได้โดยทรงประทานดอกบัวที่มีความสวยงามให้เพ่งดูท่านก็นั่งเพ่งดอกบัวพิจารณาดอกบัวไปโดยความชื่นชมในฐานะที่เป็นช่างทองมีศิลปะอยู่ภายในจิตใจมเมนความสวยงามของดอกบัวก็วชื่นชมในความงามของดอกบัว ในขณะที่ชื่นชมอยุดนั้นดอกบัวก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงไปตามลำดำักธรรมยกจิตขึ้นสู่วิปั ส, ป ส, สนาปัญญาพิจารณาเห็นสัตว์ในสังขารทั้งหลายก็เปรียบเหมือนดอกบัวแม้จะมีความสวยงามมีความประณีตอย่างไรในที่สุดก็ต้องแก่ต้องคล่ำคล่าต้องชราต้องเผยหน้าผุพังไปตามกาล มองเห็นความเกิดดับในศาตร์และสังขารทั้งหลายได้จเจริญมีปัสนาบรรลุมรรคผลได้ในขณะนั้นคนนี้เป็นการส่องให้เห็นถึงพระพุทธจักสุของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแก้ปัญหาจึ่เกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จของบุคคลที่ท่านเรียกว่าพุทธวิสัยพระอานเราอื่นไม่สามารถทำได้เพราะท่านไม่มีพุทธจักสุมีเพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่นั้นเองแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ไม่แต่การสอนในแนวกว้างๆจะทรงประธานกรรมฐานก็ดีหรือสอนธรรมะก็ดีโดยบายวิธีต่างๆไม่ว่าใครจะปฏิบัติโดยวิธีใดก็ตามจะบรรลุเป้าหมายเหมือนๆกันจึงเนเช่นอย่างการณีของการปฏิบัติสมถกรรมฐานกาน็ทรงมีวิธีการต่างๆที่จะสอนบุคคลบุคคลเรามีเพื่อนเพอัอยาสัยไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจริตแตกต่างกัน ในจริตเหล่านั้นมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดปรากฏอยู่ในบุคคลทั้งหลายและแม้แต่ภายในบุคคลเดียวกันนั่นเองบางโอกาสจริตก็หยาบบางโอกาสก็กลางบางโอกาสก็ประณีตซึ่งกรนี้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอของตนเองว่าบางครั้งใจเรากำหนัดในรูปธรรมที่ใหญ่ๆจะอยากได้ที่ดินอยากได้เลือกเลอกสวนไร่นา อยากได้รถอยากได้เรือนเป็นตน้นแต่บางครั้งก็เกิดไปอยากได้สิ่งที่ละเอียดกว่านั้นบางครั้งก็อาจอยากได้พวกเครื่องลายครามพวกสังฆโลกของเก่าโบราณบางครั้งก็อาจจะติดในสุขซึ่งเกิดจากสมาธิที่จริงก็เป็นลักษณะของราคะคือความกำหนัดในความสงบประการหนึ่งซึ่งแสดงเห็นว่าตัวราคะเองนั้นมีหยาบกลางละเอียดอยู่ในตัวของมันเอง การจะวางกรรมฐานให้เหมาะสมสอดคล้องแก่คนแต่ละคนจึงไม่ใช่วางได้ง่ายๆแต่พระผู้มีพระภาคจารก็ส่งสแสดงกรรมฐานในหมุมกว้างๆเอาไว้สำหรับสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปถ้ามาอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติกรรมฐานเหล่านั้นให้สอดคล้องกับจริตของตนเองได้ก็ส่งสรุปไว้ที่อนาปานสติกรรมฐานซึ่งสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลจริตทั้งหลาย จึงทรงแสดงเรื่องของเมตตาเป็นต้นไว้สําหรับคนซึ่งมีโทสะจริตแสดงเรื่องของกา ย, ยกตาสติเกื้ดูความปฏิกูลนา่าเกลียดของร่างกายสำหรับคนที่มีราคะจริตทรงแสดงอนาปานาสติสําหรับคนที่มีโมหจริตและวิตกจริตทรงแสดงเรื่องอนุสติมีพุทธานุสติเป็นต้นสําหรับคนที่มีสัทธาจริต ทรงแสดงอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือการกําหนดพิจารณาดูความปฏิกูลของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปและแยกร่างกายออกเป็นาธาตุทั้ง4ประการที่เรียกว่าจ ต, าาตุธาตุวัดฐานเพื่อสวดพร้อมกจริตอัตยาสายของบุคคลประเภทที่เรียกว่าพุทธิจริตหรือปัญญาจริตชอบคิดค้นชอบวิเคราะห์ชอบปีจัยก็เอาสิ่งเหล่านั้นให้เขาสวดค้นวิเคราะห์วิจัย แต่ในกรณีที่บุคคลไม่มั่นใจในจริตของตัวเองว่าเป็นคนจริตอะไรก็จะมีหลักของอนาปานสติซึ่งเป็นกรรมฐานที่มีลักษณะกลางๆแม้จะเจาะจงคนซึ่งมีโมหจริตกับวิตกจริตคือมีความหลงกับคิดฟุ้งซ่านมากแต่คนที่ราคะจริตเป็นต้นที่จริงก็คิดมาก เพียงแต่ว่าโมหะจริตคิดในลักษณะที่อึมครึ ม, มวิตกจริตคิดในลักษณะสายพล่านไปราคะจริตโทสะจริตพุท ธ, ธิจริตศรัทธาจริตคิดในแนวดิ่งเชเกิดกำนัดในเรื่องอะไรก็จะคิดถึงเรื่องเหล่านั้นโกรธในใครก็คิดถึงบุคคลนั้นศรัทธาในใครก็คิดถึงบุคคลนั้นต้องการวิเคราะห์วิจัยเรื่องอะไรก็คิดถึงบุคคลนั้นแต่สรุปก็คือเรื่องของความคิดเพียงแต่คิดแนวดิ่งคือวิ่งเป็นทางไป กับคิดในลักษณะหมุนหรือคิดในลักษณะอึมครึมคล้ายๆกับหมอกจึงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีลมมาพัดให้เคลื่อนย้ายไปก็ปกคลุมอยู่ในสถานที่นั้นเป็นเวลานานๆซึ่งสามารถที่จะใช้กรรมฐานคืออนาปานสติทำจิตใจของตนให้สงบได้ไม่ ว, ว่าจะเป็นคนจริตอะไรก็ตามกรรมฐานข้อนี้จึงถือว่าเป็นกรรมฐานสาธารณะ เป็นสุดยอดของกรรมฐานในสายของสมถะกรรมฐานและแม้ต่การตรวจสอบดูจิตของบุคคลในแต่ละขณะก็นี้จะสังเกตได้ว่าจิตใจของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีหรือเป็นกลางๆงก็มีพระเจ้าจะตรวจสอบดูจิตในขณะนั้นๆถ้าจิตตกอยู่ในกระแสของอกุศลก็ต้องแก้ไขสรงนี้ซะก่อน ถ้าจิตอยู่ในกระแสของกุศลเป็นกุศลอะไรก็แสดงธรรมะเพิ่มเชื้อของกุศลนั้นซึ่งกรณี้พึงสังเกตว่าในการแสดงธรรมะของบุคลลบคลทั้งหลายแก่บุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธรรมจกกักรวัรดนาสูตรอนัตตลกนาสูตรหรือพวกอนุบุปภิกถาอริยสติก็าตามก็เป็นการแสดงคล้อยตามจริตของบุคคลผู้ฟังในขณะนั้นๆ โดยเฉพาะความคิดในขณะนั้นเขาเข้าเป็นอย่างไรก็จะทรงแสดงธรรมเหมาะสมแก่เขาในขณะนั้นนั้นพุทธจักสุเหล่านี้ในจุดสุดยอดก็เป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันบุคคลผู้ปรารถนาที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อโดยเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในสายของพุทธจักสุก็สามารถที่จะนำมาใช้ในอีกระดับหนึ่ง ตามหลักของศัพทบริษัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เช่นบริสัยุตาอุคโลปะระปรัญญุตาคือการรู้จักกลุ่มคนรู้จักบริษัทนั้นหรือ ก, กลุ่มคนนั้นพวกนั้นว่ามีพื้นเพจริตอัตฉยาสายอย่างไรมีขนบธรรมเนียมประเพณีเจติที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อเขาอย่างไรจึงจะเหมาะสมสอดคล้องสามารถสร้างความเป็นมิตรสนิทสนมให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มคนเหล่า น, นั้นได้ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลก็สามารถตรวจสอบได้ว่าคนนี้เป็นคนมีพื้นเพรจริตอย่างไรในกรณีของการแยกหยยาบก็คือแยกในแนวของมงคลระสุดที่สรงแสดงไว้คือแยกได้เห็นว่าระหว่างผ่านกับบัณฑิตถ้าก็เป็นผ่านก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยแต่คําว่าไม่คบในความหมายนั้นคือไม่ร่วมหลักความคิดไม่ร่วมกิ จ, จกรรมไม่ร่วมผลประโยชน์ไม่ร่วมการงานกับบุคคล่ใด แต่ที่เกี่ยวข้องในฐานะต้องการอนุเคราะห์ช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาให้หลุดพ้นจากความเดือดร้อนด้วยความเป็นพานก็พาสมาคมกับคนที่เป็นบัณฑิตนี่ก็เป็นการมองในแนวความกว้างคือตัดสินกันความกว้างแต่ในขณะเดียวกันความเป็นพานความเป็นบัณฑิตเหล่านั้นที่จริงก็มีจุดอ่อนมีจุดเด่นอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนการวิเคราะห์ตรวจสอบให้เกิดความเข้าใจ เรสามารถที่จะหาประโยชน์ได้ทั้งจากคนผ่านและทั้งจากคนที่เป็นบัณฑิตกอนี้เป็นไปดังที่เคยกล่าวไว้เสมอว่าธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งจิตใจบุคคลยังไม่มีความกล้าแข็งมากพอพื้นฐานทางปัญญาที่จะขบเจาะวินิจฉัยในบางกรณีไม่มีความลึกซึ้งพอและกำมังคือศรัทธาก็ไม่กล้าแข็ง ด, năm, ดังนั้นจะทงสอนในแนวของ อ, อะไรคือวิเคราะห์ตรวจสอบว่าอะไรแล้วก็หลีกเว้นไปเลยเพราะทำนองคล้ายๆกับว่าร่างกายเรายังไม่มีภูมิต้านทานโรคมากพอเหมือนว่ามีเชื้อโรคอยู่ก็หลีกเว้นจากเชื้อโรครอนั้นการสอนในแนวนี้จะเป็นเรื่องของระดับศีลระดับฐานทั่วๆไปแต่พอถึงชั้นชั้นหนึ่ง จะไม่สนใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การมองสิ่งนั้นอย่างไรแสดงเห็นถึงปริมาณของปัญญาของบุคคลเหล่านั้นสูงขึ้นสามารถที่จะหาประโยชน์ได้ทุกอย่างจากดีๆก็ได้จากไม่ดีก็ได้หรือจากากลางๆก็ได้ข้อนี้ถ้าท่านสาธุชนทั้งหลายได้ตรวจสอบในส่วนของอารมณ์ ที่ท่านเรียกว่าวิปัสนาภูมิคือภูมิมันเป็นที่ตั้งของวิปัสนาแล้วก็จะพบว่าสิ่งที่ทรงสอนให้นํามาพินิจพิจารณายกขึ้นสู่ประจัยลักณ์เห็นความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะมีทั้งส่วนที่เป็นกลางๆางเช่น อ, อายตนะทั้งหเป็นต้น จะมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลเช่นอินรียห้าเป็นต้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นอกุศลเช่นพวกสมุทรไทยพวกตันหาพวกอวิชาต่างๆซึ่งหมายความว่าในชั้นนี้เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเข้าไปขบเจาะพินิจพิจารณาสิ่งนั้นตํานองเดียวกับอะไรตํานองเดียวกับคนทั่วไปเวลาเจองูพิษก็ต้องหนี แต่ถ้าพอถึงจุดหนึ่งคนที่รู้ประโยชน์จากพิษของงูก็จะจับงูมารีดพิษไปทำเซรุ่มเพื่อบาบัดโรคได้ถึงแสดงเห็นว่างูตัวเดียวกันนั่นเองคนหนึ่งมีปัญญาน้อยไม่สามารถที่จะหาประโยชน์ได้ก็ต้องวิ่งหนีซะก่อนเพื่อไม่ให้ตนเองต้องเป็นอันตรายจากงูแต่พอสติปัญญาความรอบรู้เรามีมากพอเราก็หาประโยชน์จากงูเหลนั้นได้ แล้ถ้าหากว่าปัญญาลึกซึ้งขึ้นไปก็อาจจะหาได้มากกว่านั้นที่จริงแล้วอารมณ์ของกรรมฐานจะเป็นส่วนของสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ตามก็เช่นเดียวกับเรื่องตั้งหลายในโลกในตัวการที่จะแปลสภาพของสิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจสร้างความสว่างให้เกิดขึ้นกับจิต ใ, ใจของบุคคลได้หรือไม่ก็อยู่ที่ธรรมะ ซึ่งมีอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นจะเป็นตัวกำหนดและจะสแสวงหาประโยชน์หรือสูญเสียประโยชน์ก็ได้กันแล้วแต่ว่าจิตใจของบุคคลอยู่ในพื้นฐานอย่างไรในครนี้ได้ท่านเล่าถึงบุคคลในสมัยพุทธกาลเป็นภิกษุก็มีเป็นชาวบ้านก็มีบางคนอาศัยถ้อยคำที่ชาวบ้านเขาล่ำหรือล่ํารือกันว่าตนเองออกบวชในพระพุทธศาสนาไป ไปยินคำนี้ญาติพี่น้องโวยวายกันเป็นการใจแต่ท่านเองกลับคิดว่าเป็นสิริมงคลเราเองไม่ได้บวชแต่มีคนก็ลือว่าบวชเพราะงั้นต้องบวชเสยเลยเพื่อจสมกับคมร่ำเรือและในที่สุดท่านก็ออกบวชบำเพ็ญเพียรจนบรรลุมรรคผลไปนี่คือชาวบ้านที่พยายามแสวงหาสิ่งซึ่งคนมองเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แต่นาไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้ หรือบางครั้งในกรณีของสิ่งเดียวกันแต่พื้นฐานใจของบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างเช่นสามเณรรูปหนึ่งไปได้ยินผู้หญิงร้องเพลงในป่าเกิดความกำหนัดพอใจในเสียงเข้าไปหาผู้หญิงนั้นก็ประพฤติผิดศีลกับผู้หญิงนั้นไปขาดจากความเป็นสามเณรไปภิกษุรูปหนึ่งได้ยินผู้หญิงร้องเพลงโดยทํานองเดียวกัน เธอพันนาถึงความงามดอกบัวซึ่งต้องแสงราตรีและเบ่งบานมีความสวยงามตกตอนเย็นก็เริ่มผูกกลีบลงไปผ่านการเวลาไปก็เริ่มเหี่ยวเฉาร่วงโรยกลีบของดอกบัวก็ร่วงหล่นตกลงไปในสระเบยหน้าผูกพังไปตามกันพระเถระได้ยินถ้อยคําเช่นนั้นแทนที่จะติดในเสียงไปติดในสาระของถ้อยคํา ที่เกิดขึ้นจากการร้องเพลงของบุคคลนั้นแล้ ว, วิจารณาตามไปน้อมนําออกกรีบดอกบัวเข้ามาหาตนน้อมตนเข้าไปหากรีบบัวมองเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างตนกับดอกบัวก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปช่วงการเกิดขึ้นช่วงตั้งอยู่และช่วงดับไปอาจจะแตกต่างกันแต่ก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันแม้ตนเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป และก่อนที่จะดับก็จะมีการเหี่ยวเฉาร่วงโรยลงไปโดยลำดับเพราะความแก่เพราะความคร่ำคราบโรคภัยข้เจ็บเปลี่ยนเป็นต้นอาศัยเสียงนั่นเองจเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลไปดังนั้นลักษณะเหล่านี้จึงเป็นอยู่ที่ปัญญาซึ่งบุคคลได้สร้างขึ้นถ้าสร้างขึ้นมาได้เท่าไรจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องคล้ายๆกับวิทยาการก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่บุคคลทิ้งของเหล่านั้นในยุคในสมัยหนึ่งก็ถึงยุคสมัยนี้คนที่มีความฉลาดสามารถนํามาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้ในฐานะที่แตกต่างกันออกไปและสิ่งเหล่านั้นเริ่มมีค่าขึ้นไปโดยดํางดับเพราะปัญญาการตรวจสอบในลักษณะนี้แต่ว่ามีคนที่มีปัญญาแล้วก็จะสามารถแสวสแงหาประโยชน์ได้ทุกอย่างเช่นในการปฏิบัติธรรมก็อาจะเดินตามพระพุทธ ถ้าจริยาข้อนี้คือพุทธจากสุขข้อนี้ในการตรวจสอบดูจริตของตัวเองเพราะตามปกติแล้วคนจะรู้จริตใครอย่างลึกซึ้งนั้นนอกจากพุทธญาณที่กล่าวแล้วก็คือตนของตนเองเป็นคนที่รู้ชัดเจนว่าเราเป็นคนจริตอะไรเพราะท่านอธิบายไว้ชัดเจนว่าลักษณะของคนที่มีราคะจริตโดยพื้นฐานจิตแล้วจะเป็นคนรักสวยรักงามสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน แต่มักจะกำหนัดติดในสิ่งทั้งหลายถ้ามากเกินไปก็อยากได้ในสิ่งทั้งหลายรุนแรงถ้าไม่พอใจก็อาจจะเกิดโทสะรุนแรงจนถึงกับประทุสรายตัวเองไปได้โ ท, โทสะจริตโดยพื้นอัตยาสัสจะมีความรวดเร็วในกิจการงานต่างๆจะทำเร็วพูดเร็วคิดเร็วตัดสินปัญหาต่างๆได้เร็ว แต่ในขณะเดียวกันความเร็วนั้นไปถึงจุด1มันจะออกมาแรงคือลักษณะที่รุนแรงแล้วว่าถึงจุด1จะออกมาในรูปของหักหานประทุษร้ายไม่ได้คำหนึงถึงจิตใจของบุคคลอื่ น, นลักษณะของโมหะจริตก็คือเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆไม่กระจับกระเจงไม่คล่องแคล่วไม่ป่องไวปทําอะไรก็จับจดเอาดีไม่ค่อยได้นังสือก็เข้าใจไม่ค่อยปฏิติประต่อทํางานก็ไม่ค่อยสะอาดกวาดพื้นก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นต้น จนถึงจุดหนึ่งคนเหล่านี้จะอยู่ในสภาพเฉื่อยช้าอืดจนถึงกเส็งหมดอะไรตายอยากสังกระตายอยู่กันไปเป็นวันวันไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าหรือพวกสตาจริตก็มีลักษณะคล้ายๆกับโทสราคาจริตแต่ถึงจุดหนึ่งนั้นจะไปเชื่อปัก ใจจนงมงายจะไม่ใช้เหตุผลจะไม่กล้าแตะต้องไม่กล้าพินิจพิจารณาโดยเหตุดโดยผลถึงความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้ของสิ่งเดดนั้นลักษณะของพุทธจริตก็มีความคล่องแคล่วว่องไวกระจับกระเจงเหมือนเดิมเช่นเดียวกับโทสะเจริญแต่พอถึงจุดหนึ่งจะรุนแรงพอถึงจุดหนึ่งจะก้าวร้าวหักหัน แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของความรู้สึกเหล่านี้ผู้ ว, วิตกจริตก็คล้ายๆกับผูกโมหจริตเขาเป็นลักษณะที่สังเกตดูได้บางครั้งอาจจะดูได้โดยอาหารที่รับประทานซึ่งชอบเป็นปกติเห mm hmm. ็นว่ารสชาติของอาหารนั้นคนชอบไม่เหมือนกันเพราะจริตของคนแตกต่างกันแม้แต่วิถีวิธีปรุงอาหารวิธีกวาดพื้นวิธีรีดผ้าวิธีเย็บผ้าเป็นตัวกําหนดตรวจสอบจริตของบุคคลได้ทั้งนั้น แต่คนที่จะตรวจสอบได้อย่างแท้จริงก็คือตนกับตนเองเมื่อตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าอะไรที่เป็นอุปการะสํานวนมาลีตัญณฑกรรมเป็นสภาพคืออยู่ในระดับเดียวกันกับต น, นเป็นพวกเดียวกันกับต น, นไปกันได้เข้าใจกันได้ก็ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นในชั้นของอารมณ์สมถกรรมฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เมื่อตวรวจสอบโดยจริตของตนว่าเราเป็นคนจริตอย่างไรก็เลือกประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่จริตตอนนั้นกรรมฐานพวกอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของปริยัติเป็นภาคของทฤษฎีที่นี้ท่านได้แสดงวิธีการแต่ละขั้นตอนเอาไว้โดยละเอียดแต่จุดบรรจบเราจะไปพบกันตั้งแต่คณิกะสมาธิคือใจสงบเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง จนถึงอุปจาระสมาธิความสงบเพิ่มขึ้นเชียใกล้ความมั่นคงในทางจิตเข้าไปในอ ป, ปนาสมาธิคือจิตใจมั่นคงแน่แน่เราอาจจะมากันคนละทางถึงสามสบททางในเบื้องตน้นแต่จะมีจุดบรรจบ ก, กันที่ตัวของสมาธิและผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิจิตจนถึงกับได้บรรลุฌานนั้น ก็จะปรากฏแก่ใจของบุคคลเหมือนกันคือนิวรณ์สงบไปแต่นั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะปฏิบัติข้อไหนปัญหาสาคัญว่าปฏิบัติไปแล้วนิวรณ์สงบหรือไม่ถ้านิวรณ์สงบลงไปก็ถือว่าได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติแต่การจะเลือกเฟ้นให้ถูกต้องกับจริตของตนก็ตรวจสอบดูจริตเสก่อน แล้วไปตรวจ ส, สอบดูกรรมฐานเพราะอย่างที่ทรงแสดงไว้เวลาคัดจริตเันก็เน้นไปที่พวกของกายกตาสติพวกอสุภกรรมฐานพวกดูซากศพเป็นต้นไปดูในเรื่องที่ไม่สวยไม่งามเป็นการถ่ายทอนแต่คอนี้ดังที่กล่าวแล้วว่าบางครั้งไม่จะยุติเสมอไปเพราะมีส่วนลึกๆที่มีอยู่ภายในใจนั้นไม่มีใครอย่างรู้ได้ ถ้าไม่มั่นใจก็ไปเกาะไว้ที่อนาปานสติดังกล่าวแล้วพวโทสะจริตก็จเจริญพวกกรรมฐานประเภทพรหมมิหารทั้งสี่ประการภุมโมหจริตก็จเจริญอนาปานสติพวกศรัทธจริตก็จเจริญพวกอนุสติจะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรือถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์แล้วถึงศีลของตนแลึกถึงการมาจากของตนก็ได้คือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ พวกที่โทสปัญญาจริตหรือพุท ธ, ธิจริตก็จะมองไปที่พวกกระสินหรือจะมองไปที่อาหารหรือว่าแยกร่างกายเป็นธาตุสีเป็นต้นพวกวิตกจริตก็จะใช้อนาปานติครั้งที่กล่าวนี่ก็เป็นการตรวจสอบดูใจของตนด้วยตนเอง เราคนที่รู้จักตนเองได้ชัดเจนนั้นก็คือตนสิ่งที่แสดงปรากฏนั้นอย่าลืมว่าบางครั้งเป็นเรื่องของมรยาทบางครั้งเป็นเรื่องของมารยาบางครั้งเป็นการสะท้อนถึงพื้นจริตของบุคคลลักษณะที่ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเพื่อการวินิจฉัยจากของบุคคลอื่นซึ่งไม่มีญาณอย่างรู้อย่างลึกซึ้งไม่แน่เสมอไปว่าจะถูกต้อง แต่ถ้าบุคคลมีปัญญาสอดส่องตรวจสอบตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนวินิจฉัยตนด้วยตนแล้วตัดสินตนด้วยตนก็จะเลือกเฟ้นกรรมฐ า, านที่สอดครองกิจิตของตนถึงท่านชายกรรมธรรมสัสปายะคือได้อารมณ์หรือธรรมะที่ก่อให้เกิดความสบายจิตใจก็จะเกิดความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อกำหนดรลึกหรือกำหนดพิจารณาก็จะเกิดความสงบ หรือเกิดปัญญาขึ้นตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นล้นี้ก็ชื่อว่าเป็นการเดินไปตามเส้นทางของพระพุทธจักสุขได้แก่จักสุขของพุทธเจา้าแต่ไม่มีกำลังจะไปตรวจสอบหรือสอดส่องพื้นเพจริตอัตยาสัยของบุคคลอื่นแต่ก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการสอดส่องจริตอัตยาสัยของตน แล้ตรวจสอบดูจิตของตนในแต่ละขณะเมื่อว่ามีปัญหาในขณะใดก็แก้ไขความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นโดยการบรรเทาโดยการขาจัดปัดเป่าโดยการเปลี่ยนความคิดโดยการดึงกุศลและจิตขึ้นมาเหนยวนึกในขณะนั้นๆก็ได้ซึ็นการปฏิบัติในยะ น, นี้ก็คืออาศัยแนวของจิตตานุปัสสนานั่นเดงจิตตานุปัสสนานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าให้รู้ว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเท่านั้น แต่เป็นอกุศลก็พยายามลดละบันเทาแต่เป็นกุศลก็พยายามประคับประคองไว้รักษาไว้ให้ดำรงอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ชื่อว่าได้เดินตามรอยบาทรพระศาสดาเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในใจมีความสว่างสวยด้วยเหตุผลและสติปัญญาในการที่จะครองตนให้อยู่ด้วยความเป็นผู้รู้สมนาม ของพุท ธ, ธะที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป